พระธรรมเทศนาจะดกเรื่องนางมากปินคำภูกติสีเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปรียธรรมฮกเโยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายอะโมตัสภากวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธตา อาตโกสุรินยากุมมารโอปาโมคาจารินัาชาวาจานังสุตปาปิตปาโมจปาหุโลอะหูสิติ สาทาวดราสาปุริจตั้งลาลอันวานิายจั ก, ก่าวฮือหูเข่าขีญยาส่วนนอพุท ธ, ธาติวัยคือเจ้าหนอไทยสุริญากุ่มมานฟังอาจารย์ผู้ฉลาดอนุญาตวางไปก็มีใจจมื่นปีติตื่นยินดี อันจุลีขับไว้ทวนคบไข่สามพระแล้วออกมาไปนอกเก็บยังดอกสีข่าวดูเปิงเป่าพงกีดา้าทวนที่ตามทําเตียนเงินคำน้อยใหญ่วางใส่ไว้เดือคขันนำไปพันบอ่อจ้าวางต่อน า, อาจานนมัสการตันเหลาว่าคาแดเจ้าบุญนา ต้านคุณนาแพ่กวางดังตาตั้งสากรทตันได้สอนตัวคาอันรากนามากไก่เร็วไวรู้รอดจบเสียงคอสิปกุลต้านกำนุนกูเชือด้วยไฟเอือปิญาบัตรนีนาตัวคาขอภากนาลานีกาได้มีแต่ก่อนบ่แม่นบนกองทม เยยวเป็นกำบาไพรต้วตอบสายต่อจนหื้อตัวตนข้าน้อยได้ตำก้อยมองผ่านขออาจารย์ภพยโผดงดเว้นตอดวางตำปุ่งยังกำน้อยใหญ่หื้อข้าใดสดสดีเจ้าบุญมีน้อยนาดเก่าวเสียงขาดสุดกำก่อนเยอมือตำวางเก่า ยกขันเขาไปเกณฑ์เปื่อดับเม้นกรรมบาปตามสุภาพโบราณส่วนอาจารย์ผู้เท่ารับขันเจ้าบุญมีก็เก่ากรรมดีต้านต่อ ว่าดุราเจ้าดอห่อใจกรรอันใดก็หยาบจักเป็นบาปต่อจนตั้งแต่ตนแห่งเจ้าใดไต่เต้าเที่ยวมาจากปาราเตตองมาอยู่ห้องจอมเราเมื่นนานเนาหลายหลากนับแต่หากปีปลายบาปกรรมหลายน้อยใหญ่เราบ่ได้หันมา แม่นกำปลาละเกิดตองในแห่งห้องหอระไทยขึ้นในใจบอกพอไปนอกบ่หันเราขอปั่นวางป่อยเฮอเจ้านอหน่อยจูอันอันขอนอหอจันนุ่มเนาปิกปอกเตาไปดีจุงมฮือมีโจกใหญ่สมใจไปจุพาการ กันอาจาร์กล่ า, าวแล้วเจ้านอกแก้วบุญดากวันตาสามรอบคานบนบ น, บนอบสาำหนแล้วถอยตนคดออกมาไปนอกศาลาแล้าาาาวไครจากเกาหูเือแก่หมูเจ้าจุมอันมารุมแบดเฝ้ารักแทงเจ้าจอมควันเขาปะกันกังแกนทุกทังเน้นถนดัดใจ เหตุอะไรบ่อแล้วอยังเจ้านอแก้วบุญมีต่างปันปนดีก่าวถอยมีบ่อน้อยนานากอบมีันและน้าโสปิโคสุริญกุมมาโรส่วนสุริญกุมมานยศใหญ่นอพระทิไวบุญนา อกไกลกาลาภาคออกไปจากสถานแห่งอาจารย์ผู้เทากล้วยไตเติาเตียวไปออกเวียงใจใหญ่กว้างมีจื้ออ่างว่าตักกศิลาตามมากาตั้งเก่าเพื่อปอกเตาเมืองตนใจเววนบ่อแล้วว่าจักแอวเตียวไปตามเวียงใจน้อยใหญ่แห่งเตาไทยนานา เรือเข้า ด, ด, ถถดงดาเตือนทองสอดไข้ห้องดงดานย้อนสมปานปางก่นมาจักสนนำตางเอเจ้าบุญขวางหนุ่มเล่าการิงเล่าเล่งหันว่ากันภายพันขึ้นสู่ยังตีอยู่ปา ร, ราพระพิตาตนปออันทาพ่อกองตางเตียงเร่งดางแต่งห้างเอเป็นเจ้าจ้างห่อใจ จกไปไหนยินอยากกิดจะมากเบื่อลหลจากพันภายเตียวกว่าสอสอดลาดงไพรเรือเวียงใจน้อยใหญ่บอหอนได้ดังไมย กวนพันภัยใตเตายตา้ำหนุ่มเนามีแรงเปื่อสเสแวงสะสอดฐานยังยอดสิปะกุนเฮมีหนุนมากวางยามเป็นเจ้าจ้างผาปุรีสิปะกุณมีลายแล จิงผาพแปะไฟมานกวนเข้าดงดานป่าไม้เปื่อกซอไซแสแวงหาญังตาป่าสาบุญกว้างอันก่อสร้างปารามีเฮียนกุณดีเสียก่อนเออสุดบอนตามใจก้อยปอกไปสู่ห้องพระเตต้องไปหลังดอปุธังน้อยนาดกันคกิดขวาดสัญญาก่อเตียวมักกาเส้นใหม่ เพื่อจักไตเ่เตียวไปสู่ดงไพราปากวางตามไฟอ้างผาธานากอมีหันแลยนะธรมทังปะกาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุนยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสะนาวโะสะจินเตตวานาอัญญามะกังปติปนโนดังนี้เป็นตน้นพีก้าเวดูราพีคูตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาติเจนักพาทรงยานส่วนสุริยังกุ ม, มารห น, นุ่มเนาานอพระเจ้ายอดมูนี พิจารณาดีไขแล้วว่าควรไปแอวดงไพรจริงจักรถทำข่าวซึ่งเท่าเท่ายิ่งใจอันเตียวกายมารอดว่าเราคขสอดภายพัน <c oughs> ไปดงตันเถื่อนทองถึงรอดทองหิมมาปานอันโบราณว่าไวตั้งแต่ไทยเดิมมาว่ามีนักขาอยู่ซัง ก้างปากกวางจีรีมีระสีกุนใหญ่จบแจง้งไข่ทารงทำสัดดานำมวลหมูมีพร้อมอยู่ดงไพรตั้งเส้นใดนันเหล่าจักไตเต้าไปเติง ฟ้ายินเครื่องไขหูขอจุงอูปั่นไมยจุ่มยิงใจหนุ่มเทาก็ตันเหล่าตำมีว่าจุงละต่างดีเส้นเก่าอันไ ต, ต่เต้าเตียวมาแหว่ตั้งขวาไปนาก้อยดันป่าเตียวไปเข้าดงไพรจ้าใจหนตั้งไต้สุดหายคนจำไม้เกยสอดจิ่งจะกรอดขึ้นมา น, น้ำนาเท่าแถวอันสอดแอวดงดอนซอเฮ็ดหอนยวือ ก, กวยตามห่มหวยผาจันไปจูวันบ่อขาดไผบ่ออาจไปไก่กันตาวันใสคำลาดาลับป่าดงเขียวก็รีบเร็วขึ้นสู่ยังตี้อยู่เหื่อนนอนสวนวันนีจรผ่านป่าอันสอดลาดงไพร พ่องไปไก่แต่ใส่พ่องไปใดหลายวันจริงภายพันปิดปอกวายหน้าออกขึ้นมาอันกําจาวาไว้ตั้งแต่ไทยโบราณ <c oughs> ว่าอยักใจหานบาปเศร้ากับตานเจ้าระศีอยู่ดงรีเถื่อนทองกางเขตต้องหิมมาป้านบ่มีพรานหนุ่มเท่ามาบอกเล่าไข่ปัน ว่าได้หันแจ้งที่มีอยู่ตีแดนได้กำจากใครแต่ไทยเตียงว่าได้ได้ได้กันต้นใจหนุ่มเนายัางคิดเล่าสังกาจักไกลก็ไปสู่ยังที่อยู่ระสีกางดงรีเป่าไม่ืฮเสียงไข่สงสัยจุงจักไปตามไฟตามตั้งไ ต, ตพันาย <c oughs> อันตุหม่บอกกาวหื้อหูขาวตำ ม, มีนอมูนียอดซอยได้ยินทอยเข้าจ่าสมนัสสาลายลากก็รีภากแยวไปเข้าดงไพราดานดาวตำเขา้าเกาไขรปั่นก็มีหัแนละนะ โสริโยอันวาสูริยาคุมานน้อยนาจบชาลาสิปคุณนอตนบุญนุ่มเนาเตีวไต้เต้าดงขวางไปตามตั้งบอดจอต่อเต้ารอดสุดปลาตั้งไกลายนักแก่บองแว่ตั้งใด้จริงลัดไปสื่นาบุญด ja, ันป่าดงรี <c oughs> จุมเสือมีอย่าปลายบ่อตองพายมาหาหนอพปุท่าบุญใหญ่ดันป่าไม้ดงดอนขำก็อนอนอยังจอดแจ้งแล้วสอดเตียวไปนกในไพรรำร้องเสียงมีกองปูนฟังพ้องเสียงดังเป่งป้อยเป็นดังทอยกำค้นพ้องอยู่บนกิ่งไม้พ้องซอไ่ไปเฟืย่ย พ่องบินเสยจอมโมพ่องเรียกโกขคันคันเสียงเนืองนั้นระรวนปูนดีม่วนเดือใจนอห่อใจน้อยหนาดบ่ไม่มาดเครื่องขี้ <c oughs> ลูกไม่มีหลายสิ่งราซาหญิงหลายอันตั้งหวานมันสมฟาดพ่องหอยหยาดจาำ้ำล้ำนอองคำหนุ่มเน่ากินต่างเข้าแล ง, งาย หันสัตไลมวลหมู่อันมีอยู่ดองตันบอกเคยหันแต่ก่อนยามอยู่บนปุรีกษัตราย์สี่แสูงัวเถื่อนกู่ควายดงกินใบบงใบหญ้าข้ติ้งล่าสนสารตั้งกวางฟานหนึ่งเป็นบอกลางเต็นไปบนเสียงสะสนสะเศ้าสันดาวดองดอนหน่อผู้ทอนองอาจ จบชะลาดมนยำเข้าดวงดำป่าไม้สัตว์น้อยใหญ่นานาอันป่าลากาหยาบบ่อมาผ่าพระวีกันบ่อนี้แล่นกว่าก่อจุกพ่อนานิมเศร้า ตนขิงเล่าพอโกแอนยังสัดใหญ่น้อยนาน้าแผ่เมตตาเข้าใส่เวทมนต์ใจตัวจอมพ่องตัวต่อมแบกเจ้าพ่องไตเต้าจอมหลังพ่องห้องดังซาเศ้าดังจักกล่าวจะทำบาตนใจรำกินกู้จักไปสู่แดนใดจุงจกใครบอกเก่าวหู้ข่าวตามมี ตังดงรีป่าไม้ตูหูไข่กองตังเจ้าบนวาง่อน้อยบอ่ถอยเขาจ่เต่าไก่กาจะใจเดือนดึงไข่เติงตันจิงพศพันไปรอดยังเจ้ายอดราสีตนวัดนี้องอาจจบชาลาดธรงยานกางหิมมาป้านปา่าไม้ตีจิมไก่ดอยผา นอพุทธาหันแล้วใจพองแผ่เหลือลายรียพันภายเข้าไก่นบนอมใบจะทำด้วยกำงามจื่นจ้อยตามบาทยโบราณก็มีหันแลน า, างประกาเซนโตสัทาาาสทาศัพท์ศัพปัญญูตนเป็นครูแก่โลกคือปนโสภัยมาน หันดีตานไปแจ้งพระจิงแสงเ ต, เ ต, เตสนาวโสอิสิโนอาสมาปตังอุปาสังกามิตต์ต่างนี้เป็นตน <c oughs> พ, พ, พิกาเวดูราภิกขูสงตนทารง ส, สินใสสะอาเตือนักพาททารงยานส่วนสุริยักุ ม, มาร น, นุมเนาหนอพระเจ้ายอดมูนี ลัดดงรีป่าไม้เดือนหนึ่งไข่เตงต้นจริงพดพันไปรอตีอยู่ยอดเจ้าราศีปีตีมีลายแหลสระแผ่ตั้งตัวบ่อหูกกัวและยานบ่อสะตั้นไปได้รีบเข้าไปนั่งไกลยกมือไว้จะทำด้วยกำงามองอาจตามบทบาทกะถา ว่ากาจิโน่พนตออานาณายังดังนี้เป็นตนว่าคาแดเจ้ากู้ตนวิเศษมาอยู่เขตดงไพรย Nh ังสุขใจคำเจ้าบ่มนเศร้ามองขีโรกามีใหญ่น้อยบอจ้องห้อยกาญาสัตนาณาอยากจะคือเสือลาดงโดน โมเตียวจรดันสอดพดมารอดอาสรมเฮ อ, อุดมตีไวร้อนเดือดไม่จรือที่นั้นราศีผูเทาก็อตอบเจ้าตามคำบาเราอยู่ดงดำป่าไม่นับอันใดหลายปีโรกามีใหญ่หน้อย บอ่อจองหอยกาญาสัตนานากาหยาบบอ่อมาภาพเบียนขี้เหลือบยุงมีลายแหล่เข้าบ่อแพมาจูซับปะงูน้อยใหญ่บอ่อมาไกกาญาตั้งผาลาลูกไม่มีบอ่อไรเลือชันตั้งหวานมันสมฝาดมีบอ่อขาดดงรีเจ้าระสีผู้เท่าหันใจหนุมเน่าแดนไก มีวันไว้เวลาหลักการอาโดงอา ม, มาจะทำที่ถอยมีบอ่อนยหลายอันยินอาซาจันหลายแหล่จริงกเกาแกตามายว่าดูราใจดมนาวสลีบ่เศรามีวันเราอยู่ดงตันเทื่อนท้องไก่จากห้องเวียงใจหุ่นตางไก่แต่สด ลายรอยหยดกะนานาเราได้มาอยู่ซางกลางปากว้างหิมมาปานหึงเมื่อนานแต่ใสบ่หอนได้เคยหันอย่างคนสามันเตี้ยวสอดพดมารอดสาลาบัตนี้นะตัวเจ้าลัดป่าเ้าดงขวางมารอดฟางตีอยู่เข้ามาอูจธ า, าม ด้วยกำงามหลายหลากเรานี่หากกินดีบุญบอมีแต่ใสบอกหอนใดมาเติงเราร่ำเปิงค ก, กิดพอเจ้าน้อยหน่อบุญหลายจิงพันภายเตี้ยวไตมาพดไข่แดนไก่หรือมีมนใจองค์อาจสิปปศาสต์ยังขานแปดยักมันอยากจ่าตั้งสัตว์สวกานานา จิงเตวมาพดรอดป้นจากขอดอนตาายดูราใจาหนุ่มเดาตัวแห่งเจ้าจื่อสันได้สายวงใหญ่พ่อแม่มีจื่อแต่ว่าสังจ้าจิงดันดงนาสอสอดพดมารอดถึงเราหนีจา้า เอนั่นหนอโปที่ยานยอดใหญ่กอนกไว้วันตาใครขี้ยาบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายด้วยปริยายหลายแหล่เออแจ้งแกระสีแล้วใครว่าตีต่อทอยว่าคาแดเจ้ายอดซอยธรงทาเบทมนยำบิเศธไรเป็ดกุณา สปาสิบปากุปปุนใหญ่ตันหูไข่เลือลายคอจุงพายพวดแผ่ซอนบอกแกตัวเราอันกวัางเบ า, ขาไข่ใดดันป่าไม่มาจูบัดี้แดเต เมื่อนั่นเจ้าราสีบุญใหญ่จบแจง้งไขทารงยานฟังคำขานอ่อนอ้อยแห่งเจ้านอน้อยบุญมีก่อไขว่าตีบอกเล่าว่าแม่นเจ้าคำจาจ มีใจใ ห, หมายไขใดเวทมนไขวสิปักุนเปื่อจักนุนสงยู่ฮือได้อยู่สัตสดีเราหากมีลายแหล่จักโพดแพ่สอนปันก้นใจพันไขหูจุงจักอยู่จอมเราเพียนดนเราจะใจจริงเฮียนได้ดังคานิ้งตนบุญปิ้งหนุ่มเราได้ยินเจ้าระศี ให้กำดีตอบถอยใจจื่นจ้อยใจบ้านก่อนมัดสะการขับไว้ว่าคาคาใดตามคำอันองคำสอนบอกบอดบ่อนี้ออกเสียเปียน จากมันเฮียนคำเจ้าตั้งแต่เก้าสุดปลายบ่อสมมัยเจตองบ่อปครองปาราคออาสาอยู่ไกลจู่จยใจเอาบุญออกำมหนปนไปนาะแก่ตัวคาคำใจและนะตะตาตโตปัญญาแรกแต่นั้นไปไปลายนาะเจ้านอลาสุริยกกุ ม, มาร อยู่ดงด้านป่าเศ้ากับตันเจ้าราศีปฏิบัติบ่าขาดบ่ผ า, ามาทสาหาภาลาลูกไม่พ้อเสียงไข่หัวมันตักน้ำฉันและอาบตามสุภาพกองดีบุบผามีลายแลกันท้าแพเอาใจมาลิข่าวใสเป็นท้อ ซลิศดอกหอยเป็นปวงสารพิหลวงกี่อาเจ้านอลาบุญนาเก็บเอามาหลายสิ่งกันท้ายหญิงหลายอันใส่เนื้อขันตั้งไว้เหือตันใดปู่จ้ากวาดสาลาเตียวน้ำกระตำพัมจูอันอันเป็นนิรันจใจบเ่เ ว, ว้นไว้วันใดก็มีหันแหลนนะั โสปนานตาปะโสสนตาปะสารสีผู้ใหญ่อยู่ป่าไม้มนนานทารงยานแจ้งส่องจบไข่ห้องกองทมฮักองคำนมเนาดังลูกเต้าใสาใจสอนมนใจวีเศษสตสาเปตนานาหือดอพุทธบุญใหญ่เฮียเนเสียงไข่าตามมี นอมูนี่น้อยนาดพะายาจเรียวไววเฮียนอันใดกไดใดจบทองไขเดียวฟั น, นอห่อจันนุ่มเล่าอยู่กับเจ้าราศีเมืรนปอปีคบรอดก็จบจอดจูผการเจ้าองค์คานยศใหญ่แม่นเฮียนใดจบทองบ่อละกองนักผาดบ่อเว้นขาดตั้งดี ปฏิบัติระสีผู้เท่าเป็นดังเก่าเดิมมาบอกกึดลาละภาคนีละจากจีดงมีใจจงไปห้อยอินดูยอดซอยระสีบอกไขนีจากห้องไปสู่ต้องแดนใดอยู่เยันใจคำเจ้าบอกมนต์เ้าเครื่องกาก็มีหันแลยนะ ตาโตปรารังทัดแต่นั้นไปนาเมือ่อเจ้านอลาสุริยาคุมมานนอโปอที่ยานบุญใหญ่จบแจงไขคุณดีจากกระสีผู้เทากางป่าเศร้าดงตันบอ น, นีพันกะภาคออกไปจากดงดอนยังอวอนไปหอยกับเจ้าหยอดซอยตาภาษา อยู่รุมราตีไกลรับคมใจกระตำการตามโบราณแต่ก่อนบ่อได้พอนอันใดจู่ ว, วันไปจะใจบอ่อคืดไวาเมืองหลัง <c oughs> หนอพุดทั้งหนุ่มเนาอยู่กับเจ้าราสีใดสองปีพบไวาบุญหลังไลตัวตั้นเอใจพันคืดสอดคนิ่งรอดเมืองตน ใจเว่ยวนบ่อมันไข่สอดดันคืนเมืองใจหนึ่งเครื่องแถมเล่าว่ากันใดเป็นเจ้าปุรีเตียนย่อมมีเตวีรวมขังเป็นลูกเจ้าจ้างหรือลานพญา กูนีน่าอิ่มกายใจจังนายคนยิงบ่อวังปิ้งร่วมพากับยิงลุมฟ้าคนได้กันบอไปรีพาวตนป่อเต้าราชากับบานดาตนแม่อันเท่าแก่รวยแรงแบนเปียที่แข่งถูกต้องในแห่งห้องกาญาเตียงมาราณาก้อยกาจีวิตขาดดับขัน กูบ่อตันจักใดนบขาบไว้ขอขามาตั้งสองขาบ่อแม่ขึ้นใจแพกองหาห h ังบุตตาหนุ่มเนาอันไต่เต้าไปไก่ตัดอลัยบ่อขาดมาจุราดมาฟ้านจิตบินญาณสองเจ้าเตียงมนเ้าขี่มองเววนป่องขึ้นหล่องบ่อไปสู่ห้องเมืองบน โนตสับปนน้อยนาดการนิ่งขวาดนาหน้าก็เข้าไปหาตีไกนบขับไปราศีไขวตีเก่าอู้ฮือตันหูจูพาักกาันละนะ า, า้าขอตาปะโสสนวาราศีผู้เทาใดยินเจ้าจะไครก็เล็งยันไปไข่ห้องตาติบสองเล่งหัน ว่านอหอจันบุญใหญ่จักสมไฟพาธานาได้กัญญาวิเศษมาจากเขตสวรรค์ไปแป้งปันรวมข้างเป็นเจ้าจ้างาพาปทวีแต่บาปมีมารอดเถอเจ้ายอดบุญนาได้เครื่องการ่อนไม่ร้องรำให้มองผ่านบ่อป่อนานแต่โสดเรื่องไร้โหดดีไก จากสมใจคำเจ้าบอมนเศร้ า, ม อ, ามองขีเจ้าราสีบุญใหญ่หูแจ้งไขขีหาจริงไขรจบอกเราฮือแก่เจ้าบุญพาย <c oughs> ว่าจักสมมายไปหอยได้นั่งยอดซอยเมืองบนจากไพรสนป่าเศร้าไปเป็นเก้าปุรีกันเจ้าบุญมีไขหูจุงอดอยู่นานไป บ่อนันเต้าได้แต่ใสหากจักใด้เล็งหันคอจอมพันหน่อเนาก้อยอยู่เฝ้าเราไปเจ้าสินใสบุญใหญ่จบแจ้งไขทะรงยานหันอาณากตรการแห่งเจ้าว่าจักโศกเศร้ามองผ่านหรืองสำรานจินจ้อยมีมากน้อยสันใดก็จากใครก่าวเฮ่เจ้าฮู้จู่อัน นอจอมขวัญบุญใหญ่ฟังเจ้าตีไว้ใค่จาสมนัสจาจุมจืนปีติตื่นยินดีอันจุลิใส่เก้านบน้อมเหล่าสามุ้นแล้วถอยตนคดออกมาไปนอกศาลาก็มมหันเลยนะ ตาตาในกาละนั้นยังมีเตวาทีด้าตนหนึ่งใสบุญเก่าใดสุดปลายก็พันภายไกวกาจากภาศาสเมืองบนลงไพรสนเถ่อนทองกา <c oughs> งเขตห้องหิมมาปานกำบรรดานจักลาเกิดในมากปินคำตามพระธรรมววัยวานางนอไทยเตวักัญญา เป็นโอปปาติกากำเนิดคือพุทเกิดตันตามีลักขณาพร้อมไข่เกิดแล้วใหญ่เรียวไว้พระธรรมไข่บอกไว้ว่าสัตว์นรกไตอาบายอาสูรกายพีเพ็มีผาเภทนาน า, นาตั้งเทวดามวลหมู่อันเกิดอยู่เบื้องบน อยู่เวหนอากาศอยู่ต้องตาดหินธาอยู่ดงนาปากว้างอยู่ตาตั้งวังท่านอยู่สถ า, านต้องเตตามดาวเขตปรา <c oughs> เป็นโอปปาติกาเสียงไข่เกิดขึ้นใหญ่ตั้นใจบ่มีไผแก่เท่ากันกำเก่าสุดไปกอกับหายกะผากบ่เหลือซากเหมือนคน ให้กางหันต่อหน้าตามกำกว่าป้าไปดังสีลงไว้นอไทยได้เก่าใหญ่ไขมาคือเตวาทีดาน้อยนาดันก้อยกาดให้หุนจากเมืองบนปากปากำนำกว่าลงมาเป็นโอป้าปาติกากวนหลากอยู่ในหมากปินคำ กอางดงดำป่าไม้ตีจิ้มไก่ซาลาแห่งตาปัสาวิเศตตนจบเตทารงยานอันสุริยะกุมารหนุ่มเนามาอยู่เฝ้ารุมราตาปาสาหูเล่วว่านางแก้วเจียงจินจากเมืองอินแต่ต้องลงสู่หองดงดานกำมาปันแสงสวยอยู่ในหน่วยปิ่นคำ เจ้าท่ารงธรรมหูรอดว่านางแก้วหยอเตวาติดากับหนอปุทธาน้อยอ่อนเกยรวมซ่อนแป้งปัน <c oughs> ร่วมใจกันก่อสร้างปารมีกว้างนานาแต่เหมือนมาหลายจาดบ่อได้ขาดเสียกันยกย่อขันหยัดนำอธิฐานพัมไข่กรม ว่าขอบุญนำสงโยู์ฮือได้อยู่เตรียมคิงได้แปลงปิ้งกูจัดยาได้กาดไก่กากำภาพาธานาว่าไวบ้บอกหอนได้หายสูล นหนอตนบุญหนุ่มเนาได้ตานเหล่าจกใครว่าบอมีใจจืดซุกกับสาวหมู่คนยิ่งขอร่วมแป้งปิ้งร่วมพากับสาวฝากฝ้าเมืองบนย้อนกุศลแต่ไทยได้สั่งไว้จอมกันมาตัวตันจุจอดนางแก้่ยอดเตวัดทิดาจิ้งไกกาก้อยกาดจากภาสาดเมืองบน ลงไผ่สนเถื่อนทองไก่เขตหทองสาลากำน้ำมาจักลาเกิดในหมากปินคำฮือสมกรมไฟอ่างแห่งหนอเจ้าจ้างบุญมีเจ้าราสีหูแล้อใจฟอจอขข่องแผ่อใจบ้านบ่อไข่คานเก่าเต่าดักอยู่สันดีก็มีวันนั้นและนะ เนธิตังขีนยาสังวณนาาวิเศษจาห้องเหตุนางมากปินคำผูกทวนสีนียายกีบัวไข่ยังเน่าไก่บ่อน้อยจากเสียง้ซ่สุดปลายจากจะลายกว่านี้เยียวตันจีต้วลังวาจาสังเน่าแก่บอกแหววังลง จิงขอปองเตาอีเตานี้ก็บางกลมสมริจเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล